สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นการเปิดสถานีด้วยรายการธรรมะรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีธรรมะนั้นฟังกันก็เพื่อที่จะให้มีใจที่สบายใจที่สบายเป็นผลของการที่เราทาอยู่ในสิ่งที่ดี การทำอยู่ในสิ่งที่ดีบางทีมันก็ต้องมีความท้าทายมีความต้องใช้กําลังการใช้ความเพียรการใช้ความพยายามบ้างในบางครั้งในบางกรณีแต่ผลที่เกิดขึ้นมานั้นก็จะเป็นความหวานความชุ่มฉ่าเป็นรสชาที่ดีในชีวิตซึ่งแน่นอนไอกระบวนการที่เราทําที่มันจะมีความท้าทายบ้างมีความอาจจะผ่านทุกขมาก่อนบ้างเล็กๆน้อยนตรงนั้นตรงนี้ใส่ความทุกข์ต่างๆที่เราผ่านมานี่ จึงต้องมีการฟังธรรมะธรรมฟังเพื่อให้มีความมั่นใจเพื่อให้มีที่พึ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเผื่อว่าในขณะที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแแน่นอนทุกคนเจอแน่ละ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีภาษาที่ไม่น่าพอใจเจอผลอยู่ไม่มากก็น้อยแต่บางคนครึ่งต่อครึ่งบางคนอาจจะมีสุขมากกว่ามีทุกข์บางคนมีทุกข์มากกว่ามีสุขก็มีแต่มีทุกข์เจอผอนอยู่แน่นอนแม้แต่พวกเทวดา แล้วก็มีทุกเจอเปิอยู่แต่ด้วยความเป็นเทวดามันก็จะน้อยหน่อยในเวลาที่เจอภาษะที่ไม่น่าพอใจมากระทบเราก็ต้องมีการฟังธรรมะแหละยังไงเพื่อที่จะให้จิตใจเราไม่เควเป๋ไปทางที่จะทําไม่ดีในการที่จะให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นที่พึ่งตรงนี้ได้ธรรมะจึงเป็นที่พึ่งได้เมื่อเวลาที่เรามีภาษะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแต่ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะได้หรือแม้แต่ในขณะที่มีภาษะ ที่น่าพอใจมากระทบแต่บางคนก็จะมีภัสดะที่น่าพอใจในชีวิตพอๆกันกับความทุกข์บางคนก็จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์บางคนก็จะมีทุกข์มากกว่ามีสุขแล้วก็จะสลับกันไปในระหว่างที่มีความสุขก็ต้องมีที่พึ่งท่านบุฟังเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็จะลุ่มหลงเพลิดเพลินไปให้ไม่ได้อีกเหมือนกันเชุม่มจมอยู่ในความสุขจิตใจก็เคลิบเคลิ้มไปทําความชั่วความบาปได้ ต, ตอนมีสุขก็ต้องมีธรรมะเหมือนกัน ธรรมะจึงเป็นที่พึ่งได้ตอนที่เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเรานั้นอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมีที่พึ่งที่ระลึกถึงมีที่ตั้งเอาไว้ไม่ให้ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลที่มันจะเป็นผลของความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ให้ไหลไปตามอกุศลที่มันจะเป็นผลของความรู้สึกที่เป็นทุกข์สุขและทุกข์ทำมาหวังนำมาซึ่งอกุศลได้และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็นำมาได้เหมือนกัน เราจึงต้องมีการตั้งอยู่ในธรรมนั่นเองมีการฟังธรรมชีวิตเราดีชีวิตเรามีความสุขก็ต้องฟังธรรมชีวิตเรามีความทุกข์เจอปัญหาที่ไม่น่าพอใจเราก็ต้องมีธรรมะฟังธรรมะชีวิตฉันกับธรรมดาธรรมดานะ่าจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์แต่ชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องฟังธรรมเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งอกุศลได้อกุศลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรท่านบวชเดี๋ยวเวลาที่เราเจอความสุขเจอความทุกข์ หรือว่าความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างอกุศลที่จะเกิดขึ้นได้จากสิ่งที่เป็นสุขนั้นก็คือราคาความกำหนัดความเลิดเปลื่นความลุ่มหลงแต่สิ่งนี้จะเป็นอกุศลได้เพราะว่าบุคคลที่มีราคาความกำหนับความลุ่มหลงแล้วพูดโกหกก็ได้ขโมยของก็ได้ล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้นี่เป็นผลของจิตที่มีราคาเนี่แหละมีความกำหนัดยินดีเนี่แหละแต่เพราะว่าเกิดจากความสุขนี่แหละจากความสุขนี่แหละจากความทุกข์ก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นทุกข์แล้ว แต่จะทําให้เราเกิดความขัดเคืองความไม่พอใจแต่คนที่มีความขัดเคืองความไม่พอใจโกหกก็ได้ล่วงประยาผู้อื่นก็ได้ทําผิดในการมก็ได้ฆ่าสัก็ได้เพราะว่าโทสะความขัดเคืองที่อยู่ในใจอันเป็นผลของทุกขเวทนาหรือคนที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเอ๊ะจะสุขก็ไม่สุขจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ฉันก็ไปายควฉันอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมได้อย่างไรแต่ได้สิเพราะว่า ถ้าเจ้าความรู้สึกที่จะบอกว่าเป็นสุขก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่นั้นเราไม่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ดับไปได้มีปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันละมันก็ต้องมีผัสสะชนิดที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเราถึงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขขึ้นมาได้เป็นลักษณะนี้แล้วถ้าเราไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นจริงว่ามันเกิดมาจากอะไรมันจะดับไปได้ตอนไหนข้อดีข้อเสียของมันมีไหมวิธีแก้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็คือความไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชชาท่านผู้ฟังเป็นอ ก, กุศลไหมล่ะอวิชชาชื่อมันบอกอยู่แล้วมันเป็นอ ก, กุศลแน่นอนทําให้บางทีเราก็มึนๆไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกผ่านไปวันๆมันก็เป็นอ ก, กุศลเกิดขึ้นเราก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นธรร ม, มะไม่ว่าจะเวลาที่เรามีความสุขไม่ว่าจะเวลาที่เรามีความทุกข์หรือเวลาที่เราจะมีสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามแล้พูดนี้เพื่อให้ท่านฟังได้ เห็นความสําคัญของการที่เราต้องมีธรรมะการที่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะในกายของเราในใจของเราในวาจาของเราเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะในกายในวาจาในจิตของเราได้ก็ต้องมีการฟังการฟังนี้ก็ผ่านทางหูบางคนฟังผ่านทางตา่หมายถึงว่าอ่านหนังสือแล้วแลก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในใจเข้าใจไปในใจอันนี้เขาก็จะได้ข้อมูลในการที่จะทําให้เกิดมีธรรมะขึ้นในใจ ส่วในการฟังธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าที่จะนำธรรมะมาให้ได้ฟังกันโดยข้าพเจ้านั้นก็จะนําพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาให้ได้ผู้ฝังฟังโดยบริเวณชนะที่มาอ่านคู่กันในวันพฤหัสและวันศุกร์โดยวันพฤหัสจะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นเรื่องราวเป็นพระสูตรที่มาอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นเทระภาษิตบ้างเป็นเรื่องราวบทสนทนาคำูทานเรื่องเล่า รเรื่องใดที่จะทําให้เมื่อเราเจอสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วเราจะมีสติตั้งขึ้นอยู่ได้ในเรื่องราวที่เป็นธรรมานั่นเองส่วนในวันนี้สิ่งที่นํามาให้ท่านผู้ฟังฟังก็เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่67เรื่องของพระภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขข่าตะตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองเวสาลีเมืองเวสาลีเนี่ยก็มีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งป่าใหญ่ก็คือป่ามาหาวันนั่นแหละ มหาวันก็คือหมายถึงป่าใหญ่นั่นเองป่าใหญ่ที่เมืองเวสาลีใ น, นเมืองเวสาลีนี้ก็เป็นเมืองของกษัตริย์ ท, ที่ชื่อว่าลิชวีแต่กษัตริย์ลิชวีนี่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ลูกศรก็มีลูกหลานของกษัตริย์ในเชื้อสายลิชวีนี่แหละมัมบวดในชื่อสุนค ต, ตะแต่นั้นก็เลยชื่อว่าพระสุนัข ต, ตะผู้ลิชวีบุตรมัมบวดแล้วอยู่ที่นั่นก็ได้เห็นว่าเฮ้มีภิกษุตั้งหลายรูป เขามาบอกเล่า90ให้พระพุทธเจ้าฟังว่าตัวเองนั้นได้มีความรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วประมัญจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจเห็นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกหนาะบรทพยัญชนะตรวนี้ทําฝังจําไว้เลยแปลว่าจะเป็นบทพยัญชนะที่ไปปรากฏอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกเนี่ยก็หมายถึงว่าอ่ะคนนี้เป็นพระอรันคนนี้เป็นพระอรันแต่เพราะว่าคนที่บรรลุปเป็นพระอรันแล้วเนี่ยมันจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจว่าโอ้การเกิดสิ้นแล้ว าการเกิดสิ้นแล้วไอ้กิจที่เราทํามาเพื่อที่ให้การเกิดสิ้นเนี่ยมันจบแล้วที่ตรงนี้เขาพอจบข้อมูลนี้แล้วความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนไม่ ม, ม, ไ ม, มีไม่ได้ยึดถือสิ่งใดๆกิจที่จะต้องทําเพื่อที่จะให้มันสุดที่สุดของทุกนั้นเสร็จลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่บางคนก็บอกบางคนก็ไม่บอกคนอื่นหละ่ะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานราบรลรลุแล้วเรารู้แล้วว่าชาติสิ้นแล้วมันก็บอกคนอื่นเราบอกว่าตัวเองเราชาติสิ้นแล้ว บอกวิธีการที่จะทำให้ถึงการที่สุดแห่งทุกด้วยบางองค์บางท่านก็ไม่ได้บอกเก็บตัวเงียบไปแต่ว่าในที่นั้นในที่ป่ามหาวันในเมืองเวสาลีมีภิกษุมากรูปด้วยกั น, นมาบอกเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าท่านพระสุนัขตะผู้ลิชวีบุตรเห็นเหตุการณ์ดังแล้วก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเอ๊ะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ก็คืหมายความว่าทุกๆรูปที่มาบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังถึงความสิ้นทุกข์ของเขาของเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือจริงหรือทุกๆองค์บรรลุหมดสําเร็จจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าก็จะลยให้ฟังว่าไม่เป็นอย่างนั้นและนี่แม้แต่ในสมัยพุทธกาลนะท่านบวงแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางองค์คิดว่าตัวเองได้บรรลุแต่จริงๆไม่ได้บรรลุก็มีแั่นี่คือร่วมสมัยพระพุทธเจ้านะคิดดูว่าใต้ฟังธรรมแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดก็มี ปะเด็ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกไปเลยหรอว่า อ, อ, องค์นี้นะใช่แล้วละ่ะบรรลุถูกต้ององค์นี้ยังนะทําไมท่านไม่บอกไปที่นั้นเลยจีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อัตยารัยของพระองค์เนี่ยก็คือว่าเรื่องใดถ้าพูดไปแล้วมันจะขัดใจเขาอ่ะก็จะต้องหาจังหวะเหมาะๆโอกาสที่ดีที่มันจะต้องควรจะต้องพูดแต่ถ้าเผื่อว่าพูดไปแล้วจะขัดใจเขาแต่ว่ามันจริงนะขัดใจนะก็จะต้องหาจังหวะเหมาะๆเดี๋ยวดูเวลาให้มันถูกต้องก่อน นั่นถึงจะต้องอธิบายได้พูดได้นี่เป็นอธัธยาศัยของสมาสมัมธพธุทาเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้ามีคนที่ เ, เขามาพูดเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้่ว่าตัวเองชั้นได้บรรลุทำแล้เป็นพระอารหันต์ละถ้าบอกว่าพูดไปตรงนั้นเลยว่าคุณนี้คุณยังนะโอบางทีมันก็จีบเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ยังจริงๆแล้วยังมีราคะไม่ไปปราดยังละราคะไม่ได้เนี่ยมีคนมาพูดแทงใจมันก็จีบเหมือนกันแล้วก็จะกระเทือนใจเพราะฉะนั้น ก็จะต้องแสดงธรรมดีกว่านะบอกว่าวิธีขั้นตอนทำที่มันลึกซึ้งขึ้นไปทํำยังไงซึ่งถ้าคนฉลาดท่านผูฟังฟังที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยถ้าคนฉลาดก็จะรู้เลยว่าโอมันต้องทําต่อให้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงขั้นตอนในการที่จะทําต่อแต่ถ้าคนที่เส ร, ร็จเรียบร้อยแ ล, แล้วก็จะไม่ได้ต้องพูดอะไรกันอีกละมันจบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องแสดงธรรมที่จะให้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้า แต่ตรงนี้เขาเล่าไว้ตรงไหนก็พระองค์นั่นแหละบอกเล่าให้ฟังเองโดยมีพระสุนัขตาต์เนี่ยไปถามไปตามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าทราบว่าคนที่มาเล่าให้ฟังนี้เขายังไม่บรรลุแล้วก็จะมีจิตน้อมไปในการที่จะแสดงธรรมเพื่อให้เขาบรรลุธรรมตามที่เขาปรารถนาซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายให้ถึงความที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือเรื่องของความแตกต่างในสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไป นันเป็นยังไงคือเพราะว่าบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไปใช่ปะ ม, มันมีความเย็นเกิดขึ้นปล่อยวางลงหรือว่าสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นที่มันไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนไม่เคยได้สัมผัสม า, มาก่อนโอ้สงสัยฉันบรรลุสดาบันนันเป็นงนั้นโอ้สงสัยฉันบรรลุเวทวาอารานแล้วมันแตกตุ้มอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสมาธิหรือเป็นความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราได้เกิดรู้เกิดสัมผัส ข, ขึ้น นะซึ่งความละเอียดแตกต่างกันไปกันไปของสิ่งเหล่านี้เหล่านี้นั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างแน่นอนนะถ้ามาวางคนที่เจอแต่ความสุขทางตาทางหูนะจมูกแล้วกัลิ้นแล้วกักายนะมีความสุขแค่5้าอย่างนี้นะเขาก็าไม่เคยเจอความสุขที่เป็นความสงบอยู่ในภายในใช่ไหมพอไม่เคยเจอความสุขสงบที่เป็นอยู่ในภายในเามาลองฝึกลองทาดู เจอความสุขสงบที่เป็นอยู่ในภายในแม่มันดีกว่าแหมันเจ๋งกว่ามันลึกซึ้งกว่ามันละเอียดกว่ามันประณีกว่าตรงนี้แหละคือที่สุดละฉันพอใจละดีละเยี่ยมละสุดยอดแล้วไม่มีอะไรไปกว่านี้แน่นอนอแฮปปี้ละเจนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องตรวจสอบตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังนื่อเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของนักปฏิบัติทั้งหลายละ่ะที่จะต้องทําคือตรวจสอบตัวเองว่าเรายินดีใน คุณวิเศษเรื่องรู้เรื่องเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรือไม่แต่เพราะว่าบางทีสิ่งที่สภาพะบางอย่างที่เกิดกับเราเนี่ยมันก็อาจจะมีสิ่งที่ละเอียดลงไปกว่านั้นลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกก็มีซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้กับท่านพระสุนัขตะได้ฟังแต่ว่าไอ้ความละเอียดลึกซึ้งลงไปในกองสมาธิขั้นต่างๆก็จะมีพระพุทธเจ้าเริ่มที่ไหนตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องใดทั้งสิ้นเลย แต่ไม่ได้พูดถึงว่าต้องทําสมาธิอะไรกันยังไงล่ะพูดถึงสมาธิขั้นลึกไปเลยคือสมาบัติขั้นที่เรียกว่าอัดเนยชาแต่สมาบัติขั้นอัดเนยชาเนี่ยคืออารูปฌานไปแล้วชั้นหนึงชั้นสชั้นสาชั้นสี่นี่ไม่ต้องพูดถึงละนั้นเลยขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นขั้นอากาสานัญญาตนะเป็นขั้นวิญญาณัญญาตนะไปเลยคืออารูปฌานเนี่ยที่เราเรียกกันนะนะท่านฟังอารูปฌานเนี่ยจริงๆมันก็คือสมาบัติขั้นที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวอันไนย เป็นสมาบัติที่ลึกซึ้งเข้าไปนะบางคนอาจจะคิดว่าตรงนี้คือนิพพานแล้วนะพระพุทธเจ้าก็จึงเริ่มที่ตรงนี้แสดงว่ามูพิงสูที่มาพยากรอรัถผลของตนของตนเนี่ยองค์ที่ต่ําที่สุดนะมาพยากรอรรถผลโดยที่เข้าใจผิดนะองค์ที่ต่ำที่สุดนั้นก็คงจะต้องได้อากินจัญญายตนะสมาบัตนะิคือขั้นอารูปสัญญาขึ้นไปแล้วแตนะ่คื อ, อ น, นี้อธิบายเป็นทฤษฎีให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนะว่า ถ้าขั้นรูปชาญแล้วก็มีอยู่4ขั้นด้วยกันก็คือชาญหนึชาญส2ชาญสาชาญสีอันนี้ยังมีการเพ่งรูปอยู่เช่นลมหายใจบ้างอะไรบ้างถ้าขั้นอารูปชาญตัวนี้ไม่มีการเพ่งละแต่เป็นลักษณะการทำในใจซึ่งการทำในใจตรงนี้ก็คือเป็นสมาบัติเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอยู่หมด4ขั้นด้วยกันนั่นคืออาราสาห น, นใจยตนะนั่นคือการทำในใจเกี่ยวกับเรื่องอากาศาอากาศนี่มันไม่ใช่รูปล้มันเป็นช่องว่างเป็นความว่างไปขั้นที่2ของอารูปสัญญา ก็คือวิญญาณวิญญาณนันจายตนะจิต ท, ที่มีความละเอียดลงไปกว่าช่องว่างอีกะจิตเราเนี่ยที่มีความละเอียดเป็นความคิดความนึกพวกนี้ละเอียดมาเราจะเห็นจิตเห็นความละเอียดตรงนี้นั่นก็คือการทำในใจว่าวิญญาณพวกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดสามที่ใช้ก็คือวิญญาณนัจายตนะอันนี้คืออันที่2 อ, อันที่3ก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีนั่ก็คืออากินจัญญายตนะนี่ขั้นที่3 ส, ส่วนขั้นที่สในขั้นอรูปนี้ มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะนะศัพท์เทคนิคมีอยู่4ี่คำตรงนี้นะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจในพระสูตรนี้นะก็คืออากาสัญญาญาตนะวิญญาณัญญายาตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะนะอันนี้คือหมายถึงรูปสัญญาสมาบัตินะไล่มาตั้งแต่อากาศไม่มีที่สุดวิญญาณไม่มีที่สุดอะไรอะไรก็ไม่มี มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้เป็นทฤษฎีจำา้างทฤษฎีอธิบายให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องตน้นแต่ส่วนวิธีก า, การทําการเข้าการออกเรายกไปก่อนยังไม่พูดที่นี้แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประสุดนี้แต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเริ่มจากเรื่องของอากาสารเดินใจยตนะแต่คือถ้าเราเอาสมาธิทั้งหมด8ขั้นมาเรียงกันหน่งสองสเป็นขั้นรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดเป็นขั้นอรูปตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียก อในชสมาบัติเนี่ยตั้งแต่ขั้นที่6ขึ้นไปแต่ตั้งแต่ขั้นที่6กขึ้นไป6ขึ้นไปเป็นอเนชสมาบัติละคนที่ได้ตรงนี้เขาก็จะไม่ยินดีในเรื่องอะไรที่มันต่ําไปกว่านั้นคือถ้าคนที่ได้ต่ำไปกว่านี้หรือว่าคนที่ยังอยู่ในกามอยู่อะยังมีความสุขตั้งตาตังหูอยู่ <S <S เขาก็จะยินดีในเรื่องราวที่เป็นแบบนั้นแบบนั้นเปรียบเทียบกับคนที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วพอเราไปอยู่ต่างแดนแล้วเอาเจอคนที่มาจากบ้านเดียวกัน เขาจะต้องถามคราวคราวบ้าบ้านนั่นเป็นยังไงอาหารหารง่ายไหมคนนั้นคนนี้เป็นยังไงเป็นต้นแต่ยุตัวอย่างเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราอยู่ต่างประเทศมีคนมาจากเมืองไทยเอาเธออยู่ที่ไหนเอาเธออยู่จังหวัดเดียวกันเลยเอาอยู่อำเภออะไรเอาอยู่อำเภอเดียวกันอีกเอาเป็นยังไงที่ตรงนั้นตรงนี้ออกมาจะคุยกันมวน ล, ละ่ะคุยกันร้อยละคุยกันสนุกละคุยกันไปในเรื่องราวแบบนั้นเพราะอะไรก็เพ ร, ราะมาจากที่เดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันจิตมันน้อมไปเข้าหากัน เนเช่นเดียวกันคนที่มีความสุขในกามก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไปหาเรื่องราวที่เป็นแบบนี้แต่นคนที่ได้ฌานขั้นนี้สมาบัตขั้นนี้เขาก็จะยินดีอยู่ในเรื่องราวลักษณะนั้นๆๆไปโดยที่จะไม่ได้ยินดีไม่พอใจในเรื่องที่เป็นอันที่เราผ่านมาแล้วในะยินดีมาแล้วเนเช่นคนที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยยินดีไปกับเรื่องความสุขทางตาทางหูเด่นคือคนที่ได้สมาธิขั้นลึกขึ้นไปแล้ว จะมาหาความสุขทางกามทางตาทางหูเนี่ยจะไม่ค่อยยินดีไม่ค่อยยินดีตรงนั้นจิตมันจะไม่น้อมไปในทางนั้นจะคิดอะไรความคิดที่ว่าจะไปกินสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ที่มันจะเป็นไปในความสุขทางตาทางหูก็จะไม่ค่อยมีพระปรเชาเปรียบเทียบกับเวลาที่ใบไม้ใบไม้มันแห้งแล้วในช่วงนี้เป็นต้นอาการเริ่มเย็นนะน้ําลดลงต้นไม้พอมันไม่ได้น้ำํำนะใบมันก็เหลืองใบมันเหลืองแล้วมันหลุดออกจากต้นเนี่ย ใบเหลืองที่หลุดออกจากต้นแล้วจะให้กลับไปติดบนต้นเนี่ยมันไม่ติดมันจะให้เป็นใบเขียวแล้วกลับไปติดกับต้นอีกมันไม่ใช่ละคือมันผลัดใบมันก็ร่วงไปเลยเช่นเดียวกันคนที่ได้สมาธิสมาบัติขั้นสูงขึ้นไปแล้วนจะเป็นยินดีในสิ่งที่ต่ำกว่านั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นอั น, นนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังที่เหนือไปกว่านั้นมีไหมมีอยู่จำฝังหลังจากอเนชฌสมาบัติขั้นที่เรียกวิญญาณญจาย์ยตนะ นะคือการทำในใจถึงวิญญาณไม่มีที่สุดนะรับรู้ถึงความละเอียดของวิญญาณได้เป็นขั้นอะรูปไปแล้วนะที่เหนือไปกว่านั้นนะก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีอากินจันญญาญาตนะก็ลักษณะเดียวกันแต่คนที่ได้ขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็จะไม่ได้มายินดีในขั้นที่ต่ำกว่าลงไปเปรียบเทียวกับศิลาก้อนนะที่แตกออกเป็น2 ส, ส่วนก้อนหินเนี่ยใหญ่ๆเป็นก้อนหินศิลาแตกออกเป็น2 ส, ส่วนแล้วมันจะมาต่อกันใช้กาวใช้ซีเมนหลอ่ลอๆมาไว้ ยังไงมันก็ติดได้ชั่วคราวมันก็ไม่ติดกันได้โดยความที่มันเป็นหินคนที่ได้ถ้าขั้นที่7แล้วในจิตใจก็จะไม่ได้น้อมไปในขั้นที่6เหมือนกับศิลาหินที่มันแตกออกแล้วจากขั้นที่7ไปขั้นที่8ปดนก็มีสูงขึ้นไปอีกจากขั้นที่7ไปขั้นที่8คนที่ได้ขั้นที่8แล้วนะก็จะไม่ได้ยินดีพอใจในขั้นที่7หรอกมันจะไม่ไปติดกันอีกเปรียบเหมือนคนที่กินอาหารอิ่มแล้วจะไปกินอีกมันกินไม่ลงอะไรๆที่มันเคยอร่อยๆมาตะกี้มันก็เเปปป็นนหมืออขงฏกูลไ นี่คือจากขั้นที่7ไปขั้นที่8แล้วจากขั้นที่8ปดนะใบนิพพานอุประมาณประมาณเปรียบกับตาลยอดด้วนและซึ่งถ้าต้นตายอดมันด้วนแล้วจะให้มีใบโตขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นใบไม่ได้เหมือนกันคนที่จิตน้อมไปในนิพพานแล้วแล้วจะไปยินดีในความสุขที่เกิดจากสมาธิถึงแม้จะเป็นขั้นที่8ก็ตามมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนตายอดด้วนที่จะมีใบเกิดขึ้นอีกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่ครัเจ้าเอาพระสูตเรื่องนี้มาอ่านในธรรมบูฟังฝั่งเนี่ยเพราะว่า เรามีครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโดยสารรถไปแล้วก็ด้วยภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปเห็นต้นตาล ต, ต้นหนึ่งอยู่ริมท้องทุ่งนี่แหละเอาทําไมบนยอดมันมีใบโผล่มาเฮ้ยด้วยความที่ว่าเราเคยอ่านหนังสือมาเยอะแยะนะตาลยอดด้วนนี่ต้องไม่มีใบโผล่เอาทําไมนี่มันมีเกิดขึ้นได้ไงบอกให้จอดรถเลยตามฝั่งให้เขาจอดรถแล้วก็ลงไปดูว่าเนไไปป็ฮ้ยัไ้น น, มม น, น, ไไนาลที่อดวกนนบํมมีใบยอยู่บนยอดมันได้ ไปดูแล้วพบว่ามันเป็นใบของต้นโพเทิมประหวังคงจะมีนกไปกินผลของต้นโพแล้วมาอุจระใส่บนยอดต้นตาลพอดีน่ยมันก็เลยโตแตกหน่อเป็นใบโพออกมาแต่ไม่ใช่ต้นตาลในยอดต้นตาลที่ด้วนออกแล้วไม่มีใบที่จะปรากฏขึ้นได้บาปุทชาเปรีตเที่ยมให้ฟังทิาประหวังว่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีจิตน้อมไปนินทิปันโดยชอบแล้วตัญหาล้าขาดแล้วแม้ความยินดีในสมาธิสมาบัติขั้นต่างๆก็ไม่มีแล้วเนี่ย แต่ว่าถ้าไปประกอบในธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการที่จะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรถ ด, ด้วยลิ้นสัมผัสประภัสตด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ต า, ามนะใจก็มีแนะจำฝั่ง6อย่างฟังให้ดีเปรเียบเทียบตอนแรกตอนแรกพูดถึงเรื่องของแค่กามมกุลห้าตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอจังหวะที่จะน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบธรรมะอันไม่เป็นที่สบายก็มีทางใจด้วยพระเด็นก็คือเรื่องของสมาธิสมาบัติตรงนี้นั่นเอง เป็นการบ่งบอกให้เห็นทราบว่าบุคคลที่มาพยากรณ์อร h a t ผลให้พระพุทธเจ้าฟังที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีเนี่ยก็ยังมีภิกษุที่ยังมีความพอใจในสมาธิอยู่แต่มีความพอใจในสมาธิคิดว่าสมาธิที่เป็นอเนชาเป็นสมาธิสมาบัตตตั้งแต่ขั้นที่6ขึ้นไปแล้วเนี่ยคิดว่าตรงนั้นคือ น, นิพพานการพอใจความลุ่มหลงแม้ในสมาธิตรงนั้นนั่นเป็นธรรมที่ไม่เป็นที่สบายต่อผู้ที่จะน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ อัวนี้เป็นเรื่องของทั้งใจคือได้รู้สึกสัมผัสธรรมรมใดๆด้วยใจแล้วที่มันไม่เป็นที่สบายกับการน้อมไปนิพพานโดยชอบอันนี้จะทำให้มีราคาเสียดแทงจิตของเธอราคาตรงนั้นก็คื อ, อรูปราคานึน่นเองรูปราคาเกิดขึ้นในจิตได้อันนี้เป็นเครื่องร้อยรัดชนิดที่ลึกมากก็เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องสูงลึกเนี่ยคือหมายถึงมันอยู่สูงมันรัดแน่ น, นรูปราคาเป็นหนึ่งในสังโยชน์เบื้องสูง5้าอย่างเปรียบเทียบกับอะไร เดียวเปรียบเทียบกับคนที่ถูกลูกศรแทงลูกศรแทงลูกศร น, นี่ไม่ใช่ลูกศรธรรมดาอาบยาพิษด้วยถูกแทงแล้วเป็นแผลไอ้ตัวลูกศรมันหักไปหัวมันฝังอยู่หัวมันฝังอยู่แล้วทไงเอาไปหาหมอหมอก็ใช้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์ดูว่าหัวลูกศร อ, อยู่ที่ไหนพาออกแล้วเอายาใส่ให้ปิดแผลให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งกับคนไข้นั่นแหละว่าต้องล้างแผลให้ดีนะอย่า ก, กินของแสลงนะ รู้จักล้างแผลดูแลรักษาแผลอย่าให้มันไปโดนลมโดนแดดหรอย่าให้เกิดกลางด้วยเลือดหรือว่าน้องต้องรู้จักล่างให้เรียบร้อยทําให้ดีปรากฏว่าคนที่หมอรักษาไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับคิดว่าฉันก็สบายแล้วนี่แล้วก็กินตามชอบใจแผลเลอนอะไรก็ไม่ล้างนะคิดว่าตัวเองมีธรรมะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดันไปทําธรรมะอันไม่เป็นที่สบายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบนั้นแต่ันนี้คือเหมือนกับลักษณะคนที่ มาฝึกปฏิบัติธรรมฉันรู้ธรรมฉันเห็นธรรมแล้วแต่แต่ว่ายังทําสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายความมากแต่ค่าสัปวักทรักษานั้นก็ยกไว้ก่อนนะนั้นโยไปก่อนแต่หมายถึงเรื่องของทางใจนะใช่ไหมบางทีเรากําหนัดยินดีในความสงัดเงียบกับยึดถือในครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ยึดถือในกฎระเบียบแต่บางทีเรายึดถือในกฎระเบียบมากเกินไปเราก็เป็นทุกข์กับอง l f เพราะมีความกําหนดยึดถือในสิ่งนั้นความกําหนัดยึดถือมีในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์กับเราได้ไอ้ความกําหนัดยึ แต่เรามีความกำลัดยืดถือในสมาธิในขั้นที่ลึกขึ้นไปแต่ความกำลัดยืดถือนั้นก็ไม่ดีสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้แต่มีทุกข์เสียดแทนอย่างนี้มันก็จะได้ช่องพระมาณได้ช่องมันอาจจะต่ำลงต่ำลงแต่ต่ำลงจนกระทั่งถึงเสื่อมไปเลยก็มีและเสื่อมจากสมาธิบ้างได้ทำอบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีบ้างแต่าถึงกับบศาลาภเไป้างก็มีและซึ่งก็มมีเเรรื่่องงคยยปาาากกกฏหลลตตััต้้แสพุษิษได แต่ก็ลาสิกขาไปก็มีเพราะว่าการที่ทําจิตไปในลักษณะที่ไม่ใน่น้อมไปในนิพพานโดยชอบนั่นะไม่ได้ตามประกอบในธรรมอันเป็นที่สบายแก่การที่น้อมไปในนิพพานโดยชอบในะในท่านตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างเอาไว้นะครับอีกคนหนึ่งที่เขารู้จักดูแล ร, รักษาแผลอย่างดีนะทําตามที่หมอสั่งทุกอย่างเป๊นะนแผลก็งอกขึ้นเต็มนะแผลปิดเรียบร้อยงอกขึ้นเต็มสบายนั่นเะปรียบเหมือนกับอะไ ร, นะรนัก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีธรรมะแล้ว เรารู้ธรรมะแล้วปฏิบัติดีแล้วก็ทําธรรมะอันเป็นที่สบายแก่ผู้ที่จะไปทางนี่แหละคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจำหวังนั่นคือเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสหมดละเป็นผู้ที่จะโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานได้ทุกคนถ้าปฏิบัติตามมา ร, รียมาร์กมีองแปดถ้าคุณปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอันเป็นที่สบายแก่ผู้ที่จะโน้มไปในนิพพานโดยชอบด้วยยังไงก็ต้องไปทางนี้ แต่คุณได้ความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขในใจเราไม่กำหนัดยึดถือในสิ่งนั้นทําให้มันละเอียดขึ้นไปทําความดีให้มากยิ่งขึ้นไปและไม่ยินดีพอใจในคุณวิเศษเพียงเล็กน้อยและไม่กำหนัดยึดถือในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําไปทําไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นทศวรรษทําไปเรื่อยๆก็มีความก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปจนกระทั่งแผลปิดสนิทหมดแผลในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ตาหูจมูกลิ้นายได้ใช้มันยังเปิดอยู่แน่นอนยังเป็นแผลอยู่แน่นอนนะตอนเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นะจนกระทั่งแก่ 80- 90ร้อยปีตายนั่นแหละตอนตายเนี่ยตอนตายนะแผลเนี่ยปิดสนิทหมดงอขึ้นเต็มไม่มีแผลเพราะไม่มีช่องแล้วอันนี้คือแผลปิดสนิทหมดเรียบร้อยนะซึ่งอุปมาอุปไมตรตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระอารหันต์เองก็ยังมีแผลแตนะ่แผลที่เอาลูกศร อ, ออกเรียบร้อยแล้วแผลที่เอาพิษของอวิชชาออกหมดแล้ว นะแผลงมีอยู่แผลงมีอยู่จนกระทั่งแผลงอกเต็มปิดหมดเรียบร้อยก็คือตอนที่ไม่มีอายตนาพวกนี้แล้วก็คือตอนที่กายแตกนั่นเองนะกายแตกแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นก็จะได้วันดับทุกสนิทนะสนิทไปเลยสนิทเนะซอร์อันี้ก็จะสอดคล้อง ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์เนี่ยก็เพื่อที่จะดับทุกสนิทนะซึ่งแม้แต่พ ร, ร, ระพุทธเจ้าประพฤติพรหมจรรย์ในตอนที่เทศสอนธรรมะอยู่ในช่วง45ปีนั้น นะทุกก็ยังมีอยู่นะแต่เข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้งนะหมายความว่าก็ยังมีเจ็บกายปวดนั่นนี่เป็นโรคถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะก็ยังมีแผลพวกนี้อยู่มีช่องทางอยู่มีตามีหูอยู่ที่จะรับรู้สิ่งนี้ได้จนทุกข์ดับสนิทเนะ่ยตอนที่ดับขันปเรณิผานนั่นะคือแผลงอกขึ้นเต็มนะไม่มีแผลเรียบร้อยแล้วสบายนะ่เป็นผู้ที่ดับทุกข์สนิทอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่านฟังที่ทําให้เห็นถึงความที่มีจิตใจกว้างขวางของพระพุทธเจ้า หมาถึงถามเอาให้น้อยแต่ก็อธิบายให้มากความละเอียดลึกซึ่งต่างๆในธรรมานั้นก็มีอยู่แต่ก็มีความละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปเราเป็นผู้ที่ดูแลรักษาแผลก็ล้างแผลตามเวลอาอ ก, กินของแสลงเจออะไรมาที่อาจจะทําให้แผลมันระคายเคืองก็รีบมาล้างแผลแลดูแลรักษาแผลให้ดีอย่าให้เลือดอย่าให้หนองเกิดกลางปากแผลในเช่นเดียวกันเราเจอปัสาวะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแต่เราก็มาดูแลรักษาใจของเราให้ดีอย่าให้มันเวอะหว ะ, วะนะตาหูเนี่ย ระวังรักษาให้ดีในด้วยยาด้วยเครื่องตรวจหาหัวลูกศรและเครื่องตรวจหาหัวลูกศรก็คือสตินั่นเองตั้งขึ้นเอาไว้ยารักษาต่างๆที่จะกลายพิษโทษคืออวิชาได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการประพฤติชอบการประพฤติอย่างสม่ำเสมอในการสร้างขุนศนการบำเพ็ญบุญพวกนี้นั้นเปรียบเสมือนยาที่จะใส่ให้อวิชานี่ยมันดับไปได้โดยการปฏิบัติธรรมมักมีองแปรนั่นเองแต่ท่านบางท่านยัมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับในพระสูน์นี้ก็สามารถติดต่อกับทางรายการมาได้ จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบเสนอบัรส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไบรษนี่หนึ่งหสหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมา .com puredha.mm.com กับปารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนเฉริญพัรธ์